บาดนี่อันว่าคุณคนนี้จัก พ่อปันไหมให้บุ่งบัทธายามแมวเลนเปลี่ยนคือกันไปเมิดเจียง เจ้ากัญญาเครื่องนี้ ให้เจ้าชีดบึงหนือตายเป็นทีเข้าไกลังน้ำใส hey, ถูกทุกคนอยู่นี่ Mò dey ด้านคํากอนคําสอนมีหลาย สวนสิจ่างหรือเปลี่ยว ตอจากนี้อาตมา นาวรนนั้นแล้วหลายปีพ้นผ่าน แม้ว่าโตเป็นเนียมจะ เป็นเน้นจะต้องรู้ โอ้ยบ่แม่นบวชมาอยู่เล่นมาเผาหรือมาได้บวชมาผ่านเข้าสู่ยอมไม่เผาหนูได้ ทุกข์ภาพเทียนทุกข์ด้านบ่ได้ นามตาเสร็จหัวเขาพอแต่ได้ทราบเรื่อง เก่าอ้ายเสีย เจริญแนวเพิ่นเคยให้เมตตาลูกคุณเพิ่นเคยปสาดให้ความ cam ni ang te no jang no ถูนื้อข้ายบุญทรงโยวขึ้นไปสู่เมืองทวงมนิทรงสุมพานให้ทรงเมืองฝากข้าผู้ปิดเนี้ยหน่อยสิคอยทําคอยสั่งให้ความอีโตตอบคุณปินสอนสั่งไว้ ข้าวนิยามวันนิตออกเดือนทางวางพระสุ่งในวัสพึ้นในพากันมาให้หมอบงานในธรรมไวม Nien m'n'ai eu sà phao, jad jang thân n'ai n'ang l'ut fay hòa l'am phong, s'u r'ang 'u b'o บ่านป้าไหมว่านี้จากยแเจ้ในเหลวเเพื่อินอาจันย์์มาหา หัวว่า พอเต้าถึงเวืองบนกะเทียวหาสอบควรถามคุณเนกะปันกันจนตะวันศิตุกดินคำจวนยุลมลอมเนียนจังหวันเนียนพอหวนทั้งไปบ่าน ไปคนเดียวถ่อนั้น ยามบ่ทันฮอด เอยอ้ายลุง เป็นจังได๋น้อเจ้าศรัทธาเฮาผู้ล้อมหนังเจ้าได้ฟังๆเด้อให้ได้ ตามบท 3 บาท 3 หนักปรากอาจารย์บัดนี้หันมาเว้าโจทางก่อนไว้ก่อนหลอนว่าต้มน้องสร้างกินแล้วจัง บ้าเถื่อนี้ควรจักนําไปแก้โอ้ยจักนอนตายมัน โอ้ยละจะมันมาปุกทายอีหยังตั้งแต่ดึกแต่ดืนคือตื่นคือท่วงเปิดเติเป่แตะหูยจะมันจังไดปีตื่นนอนก่น อันใดไรก็คือจังหาไว้ให้เจ้าเหมือนสู่อันศูนย์แนวแล้วมันเจ้าทุกข์เจ้ายากอันได้อย่าสิมาเล็งรักพัฒนาข่อยออกก็ดอกก็เดียก็ ประจับหัวมันแล้วเฮ็ดจังได๋มันสิไปฮู้นํากันอั้นซาดนอนอยู่โผล่บอนฝันอยู่โผล่ อันมื้อนั้นเจ้าเป็นหยังสิมาถามข่อยอยู่เลยเจ้าก่างเห็นอยู่ <link video> <Armen is> อันที่ข่อยถ่านั่นข่อยอยากให้เจ้านี่ลองถ่ายเบิ่งความฝันให้ข่อยแน่ซั่นเด้ข่อยนอนตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาข่อยบ่เคยฝันว่าจัง พอเหลียวเห็นข่อยล่ะว่าแล่นเข้าซอยข่อยย่างเข้ากะแล่นโอ้ยสิมาสิแล่นคักแล่นแน่กะรอกระเริยาแท้ท่าโอ้อ่าวว่าแล่นจังได๋กะอย่าว่าคนย่านเนาะอันว่า ข่อยย่านเจ้าล้าเจ้าเมีย กระบบมีผู้สอยข่วยจักคนมีน้ำต่ำน้ำภาคกันหัวเลาะอย่าเงยภัยมุสันคูบโอ้โหโหโหโหแรนไปแล้วกันมาแรนมาแล้วกันไปสำเร็จพ่อคุณผู้หนึ่งเท่าเอ้ย ฝันกับฝันยาวกะดอกกะเดียวล่ะแซ่ค่อยฟังว่าจังได๋ อันนี้มันถึงไงเครื่องสูงแล้วก็หนุงผ้าแดงมาบๆมันซาวจับแขนข่อยได้แล้วว่ายิ่งยิบฟาดข่อยโอ้ยเฒ่า ทางเว้าเล่นเว้าหัวอยู่แท้สิเป็นสิริมงคลจังเจ้าฮู้จักบ่ว่าช้างนี่มัน น้ำสิมากเอาซะคักๆนี่ล่ะเพิ่นว่าโอ้ยอดจะมา นี่จังได๋ก็มีตั้งแต่คนคอยท้วงพายเบิ่ง เฮาใหญ่เอ้ยข่อยตกอกตกใจนําเจ้าๆนี่น่ะเพิ่นส่งทูตขึ้นมาเตือนเจ้า ขันธ์ 5 เจ้าตายไปเจ้าสิได้บุญในเออเออไปเข้าใจสบายใจแน่ล่ะหันเนี่ยพ่อใหญ่พ่อ อันยุนิลาห้าว แม่น้อยองค์อยู่กรุงเทพฯพุ่นตัวนี่แม่โอ้ยมาจังได๋ค่ำมืดเอ้ยขึ้นมาถึงเฮือนเนี่ยอุปถโฒเน้นเพิ่นมาหามาแต่ ตั้ง 2 3 มื้อแล้วล่ะกินบ่ลงป่งบ่สวงพระองค์หญ้า คือว่าคุณอาจารย์เพิ่นบ่ได้ด่า คือว่าข่อยว่าเพิ่นบ่มีโอกาสข่อยนั่นหมายความว่าเพิ่นอาจารย์ด่าเจ้าซะแล้วรู้อยู่แล้วโอ้ยท่อพี่เอ้ยแล้วมันเป็นหยังตั้วจัง พ่อไปก่อนลูกล่ะเอ้ยเพิ่นอาจารย์มาหาเจ้านั่นเพิ่นเป็นหยังก็ลูกเพิ่นเฮ็ดหยังเจ้าก็ลูกหล่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอีหยังข่อยดอกแม่ พอดีมาฮอดกลางทางรถเกิดซ้นกันพอดีพอดีพ่อนอาจารย์มาหาก็เลยตายแล้วทางวัดเพิ่นจังให้ข่อยมาส่งข่าวพวกเจ้าหนี่ล่ะเมื่อนาเท่ามีหูคั่งเอา สาบสาลูกชายใสทั้งสงสัยหูเจ้าของสิฝาดไปหรือ Nh w不錯 y transplant Finally, ตื่นขึ้นมาให้เกือกกิ่งน้ำตารั่งหลินไหลเสียใจเด้ออือ หาแม่ตายแล้วว่า ตึมต่ำหัวใจแม่บ่มีไหวยามแม่ลงไปยามก็ว่ายังได้เห็นหน้านี้จากมาบ่พอ 2 3 มื้อ ตาจากนี้มื้อก็คง ลูกแม่หวงโอ้คำเอ้ยกูแม่ ป๋าญาติมีศีลสิ่งสั่ง ทำมาลูกลูกนี้แม่น โอ้ลูกได้กินแม่ได้กินยามเมื่อลูกอิ่ม ปานใดเพลงซำใดบ่มี แมยนี้สละสร้างค่ายเชิญพุทธไหวอย่าใจเด้ออือยะโลดใจ ເຮົາຈະເດີຄາວນີ້ ก่างก็เด้อเทียนนี้แม่นทุกยาก อันนี้เด้อญาติพี่น้องบ่พร้อมนํา Vam haqlúgnan bò tàng, s'ú achè, pò me lèo, pò me lèo. S'estàm kan